ออมีใครมีคาถามนะเพื่อจะได้นำไปปฏิบัตินี่ไหมีถามเพื่อเอาไปปฏิบัติไม่ถามเพื่ออยากรู้ออมีนะคือคำถามมีมีหลายแบบคือถามเออจะได้ปฏิบัติแบบไหน ับางทีถามแต่แค่อยากรู้อะ่ะมันมันไม่ใช่เปิดประโยชนะ์นะเหมือนที่จริงความรู้อะ่ะทั้งทางโลกแล้วก็ทั้งตัวธรรมะนะมันมันเยอะแต่ที่จริงสิ่งที่เราจะเอาไปใช้จริงจริงอะ่ะบางทีไม่ต้องรู้เยอะมากอย่างพระไตรปิฎกอาจจะเยอะมากนะอันมาก็ไม่ได้อ่านหน่อยไม่รู้ขนาดรู้ไม่ถึงหนึ่งในสี่เลยซักในพระไตรปิฎก นะไม่ไม่ได้อ่านเยอะมากขนาดนั้นแต่มารู้สึกแค่ว่าไอ้ที่จําเป็นที่เราเอาไปใช้ ม, มันไม่ต้องเยอะมากยาตัวอาจจมาเองอ่กะก็ศึกษาเรื่องเรื่องมหาสติประธานสูด เ, เ, เรื่องอนัตตลัณสูตรเรื่องอเรื่องไปรักเรื่องอริยสัจะไรประมาณหลักประมาณแค่ตรงเนี้อย่างอื่นก็ไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรมาก พอเราคิดว่าแค่นี้ก็ก็เพียงพอในการปฏิบัติทางชีวิตมีปเราตืษษษ่นเต้นเลยนะอของเรโ่มมีอะไรบ้างนะนี่เพื่อการปฏิบัติของเราดีขนาดปฏิบัติต้องเป็นอย่างไรนะมนีอะไรไหมคุณแต่เป็ น, นาใส่ว่ามหาสติปัฏฐานเป็นยาวมาก ใช่เอาอย่างแค่อย่างเอาแค่หมวดหมวดกายก็มีหกเรียกว่าหกแบบหกแบบพักหกบทไมาก็ไม่เอาเยอะเอาอนาปานสตินิดหน่อยยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อิดียาบถย่อยเอาตามบทต่อเพราะบางทีไอมาเองก็ไม่ได้ไม่ได้กําหนดแต่การเต้นบางทีเขากำหนดดูลมหายใจได้ บางทีเราก็รู้ยืนในบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนบางทีก็รู้ยืนบทย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวกระคิบตาลืดน้ำลายเต้นนะนี่ก็ตามบทหลักนะแต่บทพิจนาที่เป็นอสุภะหรือความเซน่าอนะไรเนี่ยมาทำไมออกไม่พ่อยถนะแต่ส่วนเวทนาจิตธรรมที่จริงมันก็ก็ไม่ต้องร่าอ่านให้มันแตกฉานนะ เพราะที่จริงมันมีนะเช่นความ ส, สุขมันมีไหมเกิดขึ้นไหมในชีวิตความทุกข์เกิดขึ้นไหมเฉยๆเกิดขึ้นไหมนี่คือเรียกวิรนาคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในใจนะบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็เฉยก็มีสติรู้จิตเองบางทีมันมีเยอะแต่เรืนี้จิตนะให้เราเลือกเอาที่มันเกิดบ่อย เช่นยมสงสัยบ่อยบางคนโทสดโกรธบ่อยหงุดหงิดเราก็ดูเป็นตัวตั ว, ตวเอาเช่นเฮ้ยเดี๋ยวก็สงสัยเดี๋ยวก็ไม่สงสัยวันวนนึงก็เสน่ห์นะเดี๋ยวก็สงสัยบางทีก็ไม่สงสัยแต่วันที่ไม่สงสัยไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลส น, นะมันมันเพินงางอื่นแทนแต่ก็วันวันนึงจะเห็นนะเดี๋ยวก็จิตสงสัยเดี๋ยวก็ไม่สงสัยโกรธก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็ขาดใจเดี๋ยวก็ไม่ขัดใจจะเห็นงคนอยากอย า, มากมากโล่งมากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากดูเนะี่ยดูแบบนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่ให้ดูหลักก็ได้มังคน จ, จะดูหลักก็ได้แต่บางคนดูเนียเราดูกายเป็นหลักแต่ก็เห็นใจที่มันโทสะมาแทกบ่อยๆอ่าหรือหรือเราก็ดูตรว น, นี้เป็นหลักก็ได้แล้วก็อาจจะดูอย่างตรรมะถนัดดู ฟุ้งซ่านคือคืแล้วก็ดูกายตัวเนี้ยแต่ก็รู้สึกจิตมันฟุ้งคําว่าฟุ้ก่อนจะมาจะมาโดนทุกอย่างม่าฟุ้งคืออ่ะไปมองนะไม่ไปฟุ้งในการมองไปได้ยินเสียงไปฟุ้งกับเสียงเลยนะอันนี้ความมาจิตมันฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านเป็นตัวตัวหลักนะมันฟุ้งก่อนว่าให้ไป ไปไม่ชอบบ้างไปชอบบ้างอนะไอันนี้ทำมาก็งบางทีก็ตัดเกียงก็ตีความไปว่ามันสูกหมดไปนี่คือการจิตมันก็มีละเราจะทำแบบนั้นแล้วก็จะเห็นเห็นจิตมันมันออกไปปูนแต่งอารต่างๆส่วนทำมารมค่อนข้างยากแต่ก็ไม่ต้องสําคัญมากเพราะที่จริงถ้าเราดูสติปัฏฐานถูกจริงๆสุดท้ายมันก็จะไปจบ คนที่รู้แจ้งในอายะศัพท์สี่รู้ทุกรู้เหตุของทุกดับเหตุของทุกได้นะ่ยจะเดินมั่งจนกระทั่งมันเต็มรอบก็คนทุกได้มันจะแจ้งองอกมนดิไม่ใช่ตาอา จ, จะไม่ได้ดูตัวนั้นเป็นหลักแต่เราดูกายเวทนาจิตเนี่ยเป็นหลักแต่พอส่วนที่หนึ่งจิตมันรวมมาไปเห็นเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์มันถึงจะวางเห็นจิตแจ้งเป็นทุกข์มันถึจะวาง ม, มันพอ จิตมันรวมรวมไปหมันเขียเข่ยวเขี่ยวไปจิดหนึ่ง น, นะมันมันมันรวมแล้วก็มันก็เข็นกันั้นเวลามันเหมือนเหมือนรบนะบมผลไม้บ่มมจุหนึ่งมัสุกเต็มที่ยคือแบบธรรมนรมนี่ดูสภาวะธรรมใช่ไหมอ่มาธรรมนลมก็คือเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่สัมพันธ์กันทั้งกายและทั้งใจ คือเช่นของแง่ง่วงเนี่ยบางทีก็คำม่วงมันก็ ม, มีในทั้งกายแล้วก็ใจเราจะเห็นความสัมพันธ์กันเช่นที่จริงแม้แต่ดูโทรศัพท์ก็ยังดูเป็นธรรมอารมณ์ได้นะเ<ม>ช่นความโกรมนเกิดขึ้นใจมันหนักการหายใจก็ปิดอั ก, กไปด้วยนะมันก็เป็นธรรมอารมณ์ถ้าเราเห็นเพราะมันเป็นมาเกี่ยวข้องกันทั้งทั้งกายแล้วก็ใจอันนี้คือ พังตารบอกฟูซ่านอย่างเงี้ยเรารู้ฟุูซ่านแล้วมันก็ฟูซ่านดักใช่ไหมอ่าก็ดับเป็นจิตคีรักษาคีักษาแต่ไม่ได้ดับทั้งวันหรอกใช่เพราะว่ามอย่างมันก็ฟูใหม่ใช่ใแต่ครั้นี้เราเห็นไงแต่ถ้าเราไม่มีดักเลยไม่ไม่เห็นความฟูซ่านเลยเราก็จะเหมือนคล้ายเหกับลูกโป่งะมันมันไม่มีคนดึงไว้มันก็ปลิวรอไปเลยจิตเราต้องเหมือนกันเราแงะลองดู เวลาเธอเกมไหมไ ป, ไปห้ามไปดูอะไรดทูที่เราชอบกันเนาะ <c oughs> ชอบอะไรนัเห็นไหมอะไรจิตมันมันไปดูหรือว่าเราเห็นหมาหมาน่ารักน่ารักเคยเห็นจิตเราไหลไปกับมาไหม <c oughs> มองตามมันคือตาก็มองตามใจก็ไหลาตามอันนี้เรียกว่ามันไหลไป เราก็รู้ทันมันนีอ๋อใจมันไหนเปกับมาล่ะถ้าตายมันจะน่าเป็นหมานะใช่ไหมใจมันพอเกียจที่เป็นมาถ้ามองไปมานต้นมันนตายอะไรเป็นมาจช่อืมนี่คือเราเห็นมันแบบนี้เราไม่ได้ว่าห้ามให้ให้มันอะไรนะแต่ถ้าเรามีสติเฮ้ยใจมันไหนเป็นเป็มาล่ะใจไหนเป็นกํานก์ละใจใจเป็ ฟังเพลงเพลงก็เกิดหยุดชีวิตนู้นได้ยินปุกเราใจเป็นฟัง่ะคราวนี้ก็เอาเอเพลงนั้มา้องในใจน่นคือเราจะเห็นเอ้เดี๋ยวรถไปใจมันมันไปได้แต่แต่พอเรารู้ทันมันก็จะกลับมาถ้าลมนั้นมันมันไม่ได้มีเชื้อต่อมันก็หยุดแต่ถ้ามันมีเชื้อต่อมันอาจจะไปอีกแลนที่เราก็ทันมากลับมาอีกจะสังเกตไหมมันติดเพลงบางาน เพลงอย่างเอ๊ะฟ sure ังฟ right ังแค่หนึ่งเรื่องก็จบแต่เพลงางอย่างเราชอบฟังแล้วมันก็ไม่จบก็ร้องบ่อยเนไหมร้องบ่อยเรื่องราวบางอย่างที่ชอบก็ดีเลยหรือไม่ชอบมากๆก็ดีมันไปกระตือขึ้นบ่อยแต่ถ้าเรื่องส่วนใหญ่ที่เรื่องมันกลางๆเฉยๆมันก็เหมัอนแค่ครั้งหนึ่งมันก็มันก็จบแต่เราดูมาแบบนี้ไงว่าเออมันเป็นเรื่องของจิตนะที่มันอาจจะรู้สึก มันมีส hmm. <t> ัญญาณเก่าๆที life, life, really ่มันเราก็ไม่รู้แยกแยกไม่ได้มีอะไรบ้างแต่เราเห็นเรื่องนี้จิตมันชอบองนี้จิตมันไม่ชอบเรื่องนี้จิตมันเฉยเราเห็นจิตมันเป็นของมันเองเหมือนเราเห็นหน้าคนทำไมชอบเมันชี้หน้าคนนี้รู้สึกถูกใจตาเพรานี่ไม่ถูกใจตาเพรานี่เฉยเฉยมันมันก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะถูกใจตาหรือไม่อยากถูกใจตาไม่อยากจะชอบหรือไม่หรือไม่ชอบแต่มันเพราะเห็นว่ามันเป็นของมันแบบนี้ เราก็แค่รู้ทันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันใช่ไหมคนนี้เราชอบเราก็จะจะหาทางไปคุยไปนั่นนี่คนนี้เราไม่ชอบก็ยเดินมานะนะนะมันจะจิตมันจะต้านไม่รู้สึกต้านหรืออยากจะไหลไปหาเขาแต่ถ้าเรามีสติกก็รู้อยู่นะว่าชอบรู้อยู่ว่าไม่ชอบแต่เราไม่ใช้เอาความชอบของเราหรือความไม่ชอบของเราไปไปแสดงปฏิกิริยา ต่อต้านหรือว่าดึงเข้ามาก็เห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เกลี่ยคล้องดูแล้วก็เราสังเกตเฮ้คนนี้แล้วก็กวลาจะเห็นนะเฮดูหน้าดูชอบนะแต่พอได้ยินเขาพูดไม่ชอบเลย <c oughs> ก็มีนะเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยงไอ้ที่หลวงปู่ว่าชอบพอได้ยินพูดนิดนึงอ่ะไม่ชอบล้ะอา้าวจิตมันไม่เที่ยงที่เราไปคิดว่ามันมันต้องเป็นของเที่ยงแบบเนี้ผิดความเห็นผิดใช่ไหม ก็ดูนะนี่ยอย่างนี้เราต้องตั้งกรรมฐานไว้เช่นกันก็อย่างที่ว่าก็ อ, อย่าทิ้งกรรมฐานหลักของเราหรืขอขอย่าทิ้งกรรมฐานหลักของเราขึ้นการเต้นไหวนะก็ราะเราเราไม่ทิ้งนะที่พูดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นการเห็นที่ที่แทรกเข้ามาเพราะมันบางครั้งมันเด้งเนบางทีคือจิตมันเลือกไม่ได้นะจะให้รู้แต่กับกายตลอดมันก็มันก็ไม่อยู่ตลอด แต่บางทีมันไปรู้เวลาเกิดความชอบไม่ชอบมันเด่นจิตก็เข้าไปรู้ของมันเองมันจะทิ้งกันนี่เองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่อหลงนะเพราะเราก็รู้อยู่ว่ามันมันเป็นแบบนี้เรีวยกว่าเป็นการมีสติการมีสติในเคลื่นกายเคลื่อนไหวก็เรียกว่ากายานุ ป, ปนัฏฐานใช่ไหมเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสุดทุกข์ขึ้นถ้าเรารู้ก็จะเป็นเวทนาหรือ ป, ปัฏนาปฏติปทาน เกิดความโกรธหรือเกิดความอยากนะเกิดความโลภนะเนี่ยเว่าจิตตางวัฒนาเราก็เห็นมันเนะี่ยมันเป็นมันจะเห็นครบแต่แต่ต้องมีตำราสักอย่างนึงนะ่งแลมันจะเห็นเห็นกายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยๆกันแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันเหมือนปีนี้เราจะเห็นแต่แบบนี้ปีหน้าเวทนาไ ม, ไม่ใช่นะแต่แต่เราจะเห็นว่าแต่ละวันเนะี่ ถ้าเราทาในรูปแบบมากแทำงานทำรูปไห บ, บมากเอเ่อเที่ยวนี้ก็เห็นได้บ่อยก็จะมีความรู้สึกหรือว่าความคิดเข้ามาแทรกบ้างในการเห็นแต่เราก็มีตัวนิบเป็นหลัแต่บางทีทํางานทำการอาจจะ ก, การเครื่องไหวของกายอาจจะไม่เด่นแต่เราไปรู้สึกถึงถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในการเกี่ยวข้องอะไรนีน้มันเด่นอะไนีนก็มีมันก็ได้เห็นทั้งทั้งหมดนั่นแหละเห็นผิดที่มันเด่นชัดในปัจจุบนัน แต่เรายังติดอยู่ยังยอยางเป็นรเทื่อนไหวอย่างเงี้ยเราใช้ตัวแบนวิหารเขาวิหารธมกับกระป๋าหานี่อันดยกันอันเดียวกันใช่มอันเดียวกันก็คือเราก็มีตัวเยอะแยะตัวอน่ก็เรียกว่ามีมีเครื่องดิจิตมันเรารู้แต่ไม่ให้ขังมันนะอยู่แบบอยู่แบบสบายไม่ใช่ขังไว้ ใช่ไหมเข้าใจไหมมันเราอยู่บ้านเรามีบ้านไว้กลับอยู่ให้มันกลับมาใช่ไหมแต่ไม่ได้ขังจิตไว้กับกายไม่ใช่ขังจิตไว้กับลมไม่ใช่ขังจิตไว้กับมือคนะําว่าพิหารธรรมคือเป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้น่ยการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นเครื่องระลึกรู้ะรละรละรึรู้ตรงนี้ไปใช่ไหมหรือบางทีอารมณ์แรงมามันไปดูอารมณ์ไม่ไหว เหมือนเราไปที่อื่นนเหนื่อยแม่มันเหนื่อยมากมันล้ามากมันร้อนมากเราก็กลับมาบ้านคือะกลับมาตรงนี้โกรธไม่ไหวจริงๆดูความโกรธไม่ไหวก็กลับมาดูกายกลับมาดูกายดูลมเพื่อปักเพื่อพักแต่พออารมณ์มันพอเรามีสติมากขึ้นบางีมันเปิดเผยคิดเรื่องโกรธอีกแบบวคราวนี้เห็นจิตที่มันเผยไปคิดมันตัดความโกรธได้ คือเหมือนได้คายๆเรากลับมามาสร้างฐานให้ใจมันเย็นๆเราเพิ่มหน่อยอพอไปเหมือนคล้ายๆเราเครียดนะไปคิดเรื่องงานคิดอย่าไรก็ไม่ออกพอไปทำอย่างอื่นให้มันสบายขึ้นสักหน่อยอ้าวคิดออกเหมือนจิตมันมันก็เหมือนบางทีมันไปติดอารมณ์บางอย่างรุนแรงมันดูอย่างไรก็ดูไม่ออกดูอย่างไรก็ไม่รักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้อย่างอื่นแทนรู้กายเคลื่อนไหวหรือ ไม่อะไรก็สวดมนต์ไหว้พับอย่านีไปเดินเน้นเน้นเน้นๆปุ๊ไปเน่นๆพอถึงจุดหนึ่งมันมันเข็มขอถามพระอาจารย์นะคะว่าคือก่อนหน้านี้ค่ะตั้งแต่ในหลวงร .9 เสียค่ะตั้งแต่ในหลวงร .9 เสียหนก็รู้สึกว่าอยู่ช่วงหนึ่งสะอยากปฏิบัติมาก ปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันตอนนั้นคือทําอะไรก็รู้สึกว่าเราอยากทําแบบเหมือนกำมันมีความก้าวหน้าด้วยค่ะทําไปจนกระทั่งหลังปีใหม่เราบอกคดีมันก็พอเปิดงานมามันก็ยุ่งด้วยอะได้วยค่ะก็เคยเว้นไปเกืบสองสองเดือนรู้สึกว่าแบบพอตอนเนี้ยจะกลับไปทําเหมือนเดิมอะค่ะแต่ก่อนแบบขึ้่อนพ้องกก็ต้องฟังคำรร ม, ม้าทันทีคือทุกอย่างมันรู้สึกแบบใจมันมีฉันทามากค่ะตอนนี้คือแค่ฟังคำม้ามันก็ ไม่เอารู้สึกของเสื่อมมากค่ะแล้วแบบพยายามปะข่มตัวเองให้มีความขยันมันเพีย้ยนมันก็จะแบบย้วยแบบรู้สึกมันไม่เอาเลยคะ่ะอาจาจยมีอารมณ์นี้ไหมคะแล้วจะทำอย่างยังไงให้แบบมันแอคทีฟมันอยากกลับมาตอนนี้ขุ่นไม่ขึ้นเลยไม่ขมีมีอารมณ์นี้ก็ เ, เป็นกันทุกวันแหละมันก็เคยเป็นแต่ที่จริง ยอมรับอารมณ์ตัวเองก่อนคือยอมรับว่าตอนนี้มันรู้สึกแบบนี้นะคืออย่าไปคถึงที่เราไปเปรียบเทียบกันไปก่อนใช่ค่ะอย่าเทียบตลอดเวลาว่ารัไปได้อารมณ์เนี้ยตอนเนี้ยทาไมมาเสือ่อมมันก็จะเกิดอาการทาไมเนี่ยเหมือนเดิมันจะก็วยติดดีด้วยแล้วก็ตมูกหงีดรู้สึกเบี่ยงง่ายแล้วก็แบบติดไม่ปกติเลยค่ะเป็นคนบ้ามันจะแบบ <c oughs> เบี่ยนไปพาที่มันมรุนแรงกว่าเดิมเนี่ยค่ะมันเหมือนคนไม่ติดไม่ปกติไงเมรู้ <c oughs> ไอ่เั็นไรเพราะว่าทําธรรมะก่อนที่เราจะไ ด, ไ, ด ไ, ดได้ว่าได้ไดนี่ว่าโลกุณาธรรมมันมันจะเป็นจิตที่ยังขึ้นๆลงๆดีๆดีๆได้ ๆ, ๆมันออกแน่ไม่ได้ช่วงสองสามเดือนนั้นดีเดือนนี้ไม่ดีมันเป็นแบบนี้นะภาวนามันต้ อ, นะตองเริ่มต้นใหมายทุกวันมันใช่แล้วมันออกแน่ไม่ได้ วิถีจะแก้มันคือยอมรับน่ะยอมรับเลยม่าเป็นแบบนี้แม้มันยากตรงไม่ยอมรับมันมันทุกตรงไม่ยอมรับมันทุกมากเลยค่ะทุกทุกที่ไม่ยอมรับว่าตอนนี้มันไม่ดีเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบตอนที่มันดีตอนที่มันขยันเนาะมันทุกตรงนี้อดูให้เห็นตันหางตันหางคือความอยากอยากจะให้มันดีเหมือนเดิมเนี่ยคือคือเหตุของความทุกข์ กลับมาดูแต่หามันดอกให้เราเป็นวันนั้นให้เอาวันนี้แหละอืมตอนนี้เป็นแบบนี้เราจะเริ่มจากตอนนี้แหละหรือตอนนี้มันยังเต้ามันยังชี้ทา้าไรก็แล้วแต่<ม>เราก็เริ่มเลยตอนนี้นะอืมทําที่ตอนนี้ทำที่ตอนนี้ใหม่แล้วถ้าอย่างสมมติว่าปกติคือเรอบบาจะฟังทำมาถ้าตอนนี้จิตมันฟังไม่ได้เรากดจะทุกซี่ังตอบไป ฟังไปแล้วดูตจที่มันต่อต้านนะคะหรือว่าหยุดไปก่อนหยุดปรัคนหยุดฟังไปก่อนถ้าถ้ามันต่ อ, อ, อต้อ า, ตตานมากก็ยังไต้องฟังแต่ฟังเนี่ยอื่นแทนที่มันสบายได้ไหมเช่ น, นฟังเพลงไม่ได้เลยค่ะไม่ไม่เ<อ><ม>พราะว่าหนูลองเพล ง, ง, พลงแต่จะต่อเวลาไม่มบทสวดมนต์แบบบันเลงอะไรก็ได้หรือว่าเพลงแบบธรรมชาตินกล้องอะไรนั้นหรือเพลงคลาสสิกอะไรก็ได้นะ พี่มไม่ทราบนะพระตาจํจาได้นะคะที่คารุสติ๋นุเคยหามาตารว่าหนูติดร้องเพลงจนวั น, น, น, นวันวันนี้หนูเนีติดอยู่นะคะหนูเลยไม่กล้าฟังเพลงอะไรอยู่แล้วคือแค่บางครั้งแค่ไปตลาดฟังเพลงลูกทุกงร้องไม่เป็นได้ยินแค่สองพยายามมันก็จำนะคะั้ก็วนล้อคือ่สองพยายามต้องวนคืนก็เลยแบบไม่กล้าฟังอะไรบันเทิงเลยค่ะแม่แต่หรือว่าจิงหนูเครียดไปหนูเลยแบบแปลกๆเพียนของหนูตรนี้ มันจิตมันอยากจะหาความสุขมันก็เลยไปหาความสุขแบบแบบเพลงบ้างนะที่บ้างคือจิตมันอยากหาความสุขแต่ตอนนี้เราจะเลือกให้มันไปหาความสุขที่ไม่ไม่เจือด้วยกิเลสไงอย่างเช่นไม่รู้ว่าลองลองหาตัวเองดูเช่นหรือบางทีไปทำานอื่นที่มันมันสบายเราลองลองดูว่าไปทําอะไรที่มันรู้สึกจิตมันชอบแต่ไม่ใช่เชือเรื่กิเลสนะ แล้วก็เอาตัวนั้นเป็นเครื่องอยู่<ม>เป็นช่วงๆนะแล้วก็แล้วก็ แ, วกแต่แต่กรรมฐานตังนี้เราก็ไม่ทิ้งเราก็ทำนะก็ทำแม้บางทีมันไม่อยากทำก็ทำแต่ให้เลือกกรรมฐานที่เรียกว่ามันอะไรวะมันเบื่อน่อยที่สุดมีไหมม่ด้วยหรอคะ่ะแม่มรู้เดี๋ยวบางคนยกลยกมือไม่ไหวทำงานมันเหนื่อยไม่อยากยกมือ แต่แต่ถ้าไปเดินเล่นๆไห น, นได้เพ่ไะมคือเหมือนถึงว่ามันไม่มไ ม, ม, ไม่มันต้านน้อยที่สุดอะแต่นะมัน ก, เก็เราก็เลือดตนะ้นทางมันเป็นเป็นเรื่องอยู่ไปเนะีก็จิตมันจะมันก็จะค่อยๆกลับมาแต่ติ่งสงคัญ น, นะบาลใจให้มันยอมรับสิ่งที่มันเกิดข่้งตอนนี้แล้วก็เราก็ตั้งใหม่ที่ตรงนี้แหละที่จี่เพิ่งนี้นะันไม่แน่อยู่ มันกินมข้ามมันขั้นแต่ต้องยอมรับมันต่อนะแล้วมันจะโอ้มันข้างติดที่เราเคยได้ก็มีนะแต่ถ้าเราอยากไปติดไอที่เคยได้มันจะมันจะทุกข์แลก็อาจจะจมเลยนะกับเขยอมรับมันแล้วก็เนาะก็ทํำไปเรื่อยๆทุกวันนะทุกวันแต่ถ้าฟังทำเน็กนิงต่ออันมากก็ยังไม่ต้องทําไม่ต้องฟังก็ได้ฟังอย่างอื่นแทน หรือไม่ฟังเลยนั่งรถ ก, ก็ขับรถไปโหจิตก็ตอนนี้แบบแย่มากค่ะตะโพกใจเคาะนิ้วก็จะรู้สึกเคาเอานิ้วเคาะพงอะไรก็รู้สึกอะไรก็จะรู้สึกอย่นี้แบบเคาะไปเถอะมันไปนู่นหมดแล้วค่ะมั น, ม, นมันไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็แักปะคก็ไปคุยอารมณ์ว่าเคยได้อ่ะในอารมณ์เสียด้อะไรอาวรณสิ่งที่เคยได้แบบสุขแบบทำไมหายปไปแล้ว หายแ้หายไปแล้วกมานเปนกานอขาเรกอะไรปูแต่งตลอดเวลาทันจะย่วทั้งที่เราโมโหแล้วก็ลากึุไปเลยที่จริงเขาก็สอนเราอยู่ชีวิตเขามันก็เป็นแบบนี้แหละน้อรู้สภาวะการงานหรือสุขภาพร่างกายหรือเรื่องต่างต่างมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเ้าสอนความจริงให้เราเห็นว่ามันมันไม่แน่นอนนับไม่ได้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเนี่ยแต่ เราดูว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเหมนน้เรื่องของเป็นเหมือนนะั้นเราก็ยอมรับว่ามันเป็นเหมนนัแต่เราจะเริ่มจากที่ตรงนี้ยนะของเราไม่ได้ขอขอบคุณค่ะถ้าจะคล่องตัวหน่อยนะมอะไรก็ไม่แน่หรอกพี่ที่มันเกิดขนะึ้นนั้นเดี๋ยวก็ไม่แน่ <c oughs> ที่ผ่านมาก็ไม่แน่ไงมันก็ได้เปลี่ยนให้เราเห็นไม่จำแนงอย่างที่น้องของพี่ไม่ลง เราเราเปลี่ยนเป็นฟังเพลงแบบที่ร้องไม่ได้เนี่ยจะช่วยได้ไ้ยคะเห็นที่ป้าจะแนะนําว่าฟังเพลงที่มันร้องไม่ได้ค่ะคือบางทีคือแค่เป็นบันเล็กเอาเอาง่ายๆว่าแค่หนูพอตลาดหนูได้ยินแค่คำว่าแม่นบอกแค่เนี้ยคือหนูหนูแบบรองทั้งวันเลยอ่ะหนูเล่นแับให้กล้าแตะอะไรจนมันเธอมันจะเริ่มเร่ดือๆในหัวแบบเองโดยธรรมชาตินะคะขนาดตอนนั้นปฏิบัติธรรมแค่ได้ยินเสียงหมาเห่า หนูสามารถมิกเพลงไในกัวได้หนูก็เลยไม่กล้าแตะเพอีกเลยแล้วอ่าสวดมนต์ก็ไม่กล้าสวดมนต์เพราะว่ากลัวสวดปุ๊บหนูก็จะเอามาบ่นในหัวเพราะหนูสามารถปัดให้เป็นเพลงได้ทันทีหนูก็เลยไม่กล้าแตกมันเพิงอะค่ะแต่จริงถ้าสวดมนต์ถ้ายังบ่นเป็นทํานองเพลงแต่เป็นบทสวดมนต์ก็ยังโอเคนะแล้วมันติดเอาเป็นไรอาจารย์แบบแค่แบบ กลับมากันคืนแค่คิดตัวจากลุกข้างน้าปุ๊โอ้โหสวนเลยค่ะหรือไม่ก็ร้องรับฟัง random แบบเพลงไทยจีนฝรั่งแพงมากเลเอาสดหมดก็เพลงสดหมดนะจันมันที่จริงเหมือนทางมหายาณบางทีเขาก็เอาพกนี้เป็อุบายบางทีสมัยสดมันก็มีดนตรีเขากมีอะไรอย่างเนี้ยมีทันนองเขาก็เป็นอุบายให้เนี่ยมาจิตมันอยู่ตรงนั้น แต่แต่มันไปติดเกินไปมันก็ไม่ดีนะในพรามว่าแต่จริงถ้าเราไม่ทิ้งว่าเอบางครั้งเราสวดเพื่อเวลาจิตมันซึมซึมสวดจนจิตมันซึมซแต่พอจิตมันเรื่อนเกิดเลื่อนลับก็แล้วก็บางมาอยู่ตรงนี้บ้างแล้วเราก็สังเกตแม่จำบ้างไม่ใช่ตลอดแต่เห็นว่าเดี๋ยวจิตก็มาอยู่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวจิตก็กลับไปสวยละจิตก็มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจิตก็ไปสวยละ ให้ดูแบบนี้นะดูว่างมันก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แต่ก็เปลี่ยนไปอยู่นั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงนะเป็นการให้จิตมันศึกษาสมเกิดเป็นการเดินปัญญานะไม่ใช่เอาไม่ใช่ว่าให้มันสงบให้มันนิ่งแต่ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยเป็นแบบนี้แหละดูไปเลย <geez> แต่แต่บางทีแต่ละคนอุบายที่จะแก้ลงบางทีก็ ก็ไม่เหมือนกันบางทีเอาไปใช้แบบนี้ก็ไม่ได้นะเราต้องดูตัวเองว่าเออลองทําแล้วมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กก็อย่าไปทํำลองทําแล้วมันมันใช้ได้ก็ทําแต่แต่ทุกอย่างอูบายทุกอย่างทุกอย่างนะก็องอยู่ในฐานที่เรียกว่าไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเราต้องไม่ไปทําร้ายตัเองนะบางทีไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นอบางทีนะ ไปไปแก้งเด็กไปแก้งสัตว์แล้วมันตดที่ผ่อนคลายสนุกเนี่ยก็ไม่ใช่ไปเบียเดเบียนเขาใช่ไหมแต่ถ้าอูบายพวกนี้เอะไปให้อาหารสัตว์ไปรดน้ําต้นไม้แล้วมันผ่อนคลายเนี่ยเป็นอุบายที่ไม่ไปเบียดเดียน เ, เขาใช่ไหมแบบเนี้ยได้อุบายพวกนี้ยอม ก็จะนึกยัวอยา่างว่าเจ็ดลอยไว้กับสุนัขหรืเพราก็ฉะนั้นคนที่เลี้ยงหมาเลงทนหม า, า, หมาที่เยเยแมวองไงี้มันมีความเสี่ยงสูงอะเมื่ตจ็ดสุด้ยนยเปิดเป็นปสิ่งใหมเปิดไปได้ไหมใช่ได้จริงจริะเดี๋ยวในคาอาจารย์พูดก่อนแต่มาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปรู้กรรมนั้นแค่เรีออยกว่าพยากรไม่ไดนน้นนะ <c oughs> มันก็ขึ้นที่ยิ่งจิตจิตเมื่อมันสมมติมันละจากร่างนี้ยจิตที่มันถ้าไม่ใช่เพราะทํำคำหนักถ้าทําำคำหนักนะเช่นข้าพ่อข้าแม่ข้าอหันจิตนะก็ไปเอาบายแน่นอนอืมหรือถ้าแต่ถ้าจิตที่มันเฉยจะไปบ่อยเปจิตที่มันทําซ้ําอะไรบ่อยๆมันคอเคียบผูกพันกับอะไรบ่อยๆมันก็จะพาไปนะมันคอเคียบกับเดรัจฉาน มันก็จะไปกระปุ่มเยืา่ารั้มันเคยชินที่จะโกรธบ่อยๆมันก็จะไปอบายอะไรเนี่ยคือ เ, นะเราเคยชินกับอะไรมันก็จะไปร่องนั้นแต่บางทีก็แต่บางทีก็ไม่ใช่ความเคยชินแต่บางทีมันอาจจะจิตสุดท้ายมันมันไปยึดกับตรงนี้เป็นหลักมันก็อาจจะไปตรงนี้ก่อนเช่นเราจะไม่สนใจเราอาจจะไม่เค่อยสนใจหมายเท่าไหร่หรอก แต่ก็เอิ้นก่อนตายทเกินนี้มันน่ารักเหลือเกินแล้วเราก็ไปผูกพันกับมัน ก, ก็อาจจะไปเกิไปเกิดเป็นหมาแต่ที่เกิดป็นมาอายุสั้นๆนาตายไปแล้วก็ววอาจจะกรรมที่อดีตก็าจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นแทนนะที่จริงต้องมีเยอะมีพระในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าบอกท่านได้กีบอนใหม่มาแล้วถ้าท่านท่านคล้ายพอใจในกีบอนคอนนี้มากเพอท่าน มแาแล้ภาพไ ป, ไปจีนอ่าเป็นเรงเกาะเทรวันเนี <ไป S 2> <ป>่ยมันแคเจ็ดวันตายไปท่าก็ไปสวรรค์ไปพบภูมอื่นนะแต่เรื่องพวกนี้ก็พยากรยากแต่ให้เราเตือนตัวเองว่าเราไปทไปําอะไรซ้ำๆเรื่อยๆมีทางมีโอกาสที่จะไปเส้นนั้นแหละโดดมุ่งด้านไหนก็จะไปด้านนั้นแต่ถ้ารู้บ่อยๆก็จิตตัวนี้มันก็จะเกิดการรู้ได้บ่อยแม้แต่ แม้บางครั้งจะมีกรรมมองอย่างแท้แต่กรรมที่เราฝึกทําดีฝึกตัวรู้ไปไหวมาว่ามันก็จะทําให้เรพ้นขึ้นมาได้เร็วเหมือนเราจมน้ําอำบางทีเราก็เลือกไม่ได้ที่จะไปจมน้ําแต่เราเคยฝึกว่ายน้ําเราก็จะดีตัวขึ้นมาได้เร็วแต่คนถ้าไม่ไคยฝึกว่ายน้ําจมก็ จ, จมเลยใช่ไหมแต่เราเคยฝึกรู้ตัวเคยฝึกรู้ตัวจมน้ําไปเราก็จะ ขีดไปเองขึ้นมาได้เนี่ยคือการฝึกของเราบางทีเราก็เลือกในสิ่งที่เราเจอไม่ได้แต่หลังจากนั้นเราจะถ้าเราตั้งหลักได้เราจะพ้นมันมาได้พระอาจารย์ค่ะทดสอบถามเรื่องการเดินสมกรมอะค่ะเวลาเดินนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าจะให้รู้สึกแล้วก็ออ่หยุดใช่ไหมฮะแต่เดินไปแล้วจะรู้สึก มันเหมือนรู้สึกตอบเนื่ออ่ะอย่างนี้ผิดหรือเปล่าคะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ผิดนะเพราะ บ, บางทีมันเหมือนแต่ก้าวใช่ไหมรู้ตอไปเรื่องแบบนี้ใช่ไหมแต่บางทีที่มาบอกบางทีหยุดบ้างสาหรับกรณีเคสที่บางทีมันฟุ้งซ่านมากางทีมัเดินไปแล้วฟุ้งอ่ะเดินไปคิดยาวบางทีหยุดบ้างเป็นการคลายให้สติมันกลับมารู้ตัวว่ากำลังยืนกาลังหยุดเพื่อมันจะได้ได หยุดอิจฉาปรุงแต่งกันในการคิดตรงนั้นเป็นอุบายแบบนี้หรือบางทีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเช่นเราเดินขณะที่เดินก็มีสติอยู่ขณะที่หยุดเทียนไม่ได้คุงมกแต่เราหยุดก็กลับตัวเราก็รู้ตัวว่ามันยืนอยู่ก็เป็นการต่อเนื่องของสติเหมือนกันนะแต่ทีไหนว่ามันไปรู้อารมณ์ที่ที่แตกต่างรู้อารมณ์เคลื่อนรู้อารมณ์เดิน หรือรู้อารมณ์หยุดก็ที่จริงไอ้ที่มันถูกรู้วอะจะเป็นอะไรก็ได้แต่การรู้เนี่ยคือเรียกว่ามีสติการรู้ว่าตอนเนี้ยทําอะไรอยู่เนี่ยเรียกว่ามีสติครัอาจารย์โยนขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์คล้ายๆกันน้องนิดนึงเรื่องปีที่แล้วตอน วันรอบวันที่๕ทันวาโยงก็ซ้อมร้องเพลงพระเจ้าอยู่หัวหลายเพลงมากเน่ยเพราะว่ า, วาพอถึงวันที่๕ธันวาโยงก็จะไปจุดเทียนแล้วก็ร้อง เ, งเพลงที่บ้านส่วนตัวร้องไปเจ็ดเพลงรวดมีซ้อมหลายรอบแนหลังจากนีโยงก็เข้าวัดปรากฏว่าในหัวโยงมันมีแต่เสียงเพลงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเพลงปราชาผู้ทรงธรรมเลย อ, อยู่เป็นอาทิตย์เจ็ดเนสิบมาเราเป็นบทเรียนนะโยงก็เลยเข็ดเลยว่าอะไรที่ทําเยอะมา ก, มากๆเนี่ยมันเข้าไปเลย คือโยมไม่สามารถหยุดมันได้เลยนะ่ะมันใช้เวลายเป็นสองอาทิตย์กว่ า, า จ, จะเสียงเพลงในหัวมันจะหยุดหายไปอันนี้นี่เป็นตัวอย่างนั่นนะที่เกิดขึ้นแบบเพิงแต่ว่าอย่างน้อยก็โอเคสองอาทิตย์ผ่านไปแล้วเสียงเพลงในหัวมันหยุดหายไปาอาจจะอาจจะเบาบางกว่าน้องนิดหน่อยค่ะค่ะโยมก็เลยเข็ดเลยว่าไอ้ร้องอะไรบ่อยๆน่มันนะวิ่งเข้ามาในหัวจริงๆเลยควบคุมไม่ได้ค่ะมันมาเองเลย แต่ตอนนี้คือพวกเรารักท่านมากนะที่เราต้องยิ่งเบาบางเพราะว่าทีอสังเกตไมพระดาบเราใหม่ๆมาว่าจะบชัม า, มากนะตอนท่านเสียใหม่ๆอ่ะได้ข่าวได้ฟังเพลงอ่ะใจมันจะเศร้าไปเยี่ยขึ้นแต่ตอนหลังก็อาจจะดีขึ้นลนะแต่ถ้าเรายี่ไปเขาเคียร์กับตะง่าหน่หอยนะไ ม, ไม่ใช่ว่าการไม่ใช่ว่าการไม่เศร้าเป็นการไม่รักนะแต่เรารู้ว่านะถ้าเราไปอินกับ น, น, นมากๆมันจะ ทำไม่มาเศ้าเกินไปการลักจริงๆการสอบแทนจริงๆเนะี่ยเรามาทําความดีของเรานะัทนนะถ้าเราเศร้าเราก็ไม่มีาอารมณ์ไปทำอย่างอื่นนะเรียบไหมแต่ที่มีส ต, ติปะกะติเนะี่ยเราต้อไปทําหน้าที่ของมราให้ดีที่สุดมันดีกว่าบางทีบางคนไปพยายามไปบิ้วกันให้มันเศร้าเกินไปบางทีก็มันทําทให้เกิดความเป็นอะไร เท่ากับทังประเทศเนาะในทางในทางโลกอาจจะดีแต่ในทางทำมันมันเรา ว, ว่ามันไม่ไม่จะเป็นเร่องสนานนั้นเวลาเราสูญเสียนาะเหมือนญาติอ่ะไอ้คนนี้ไม่ร้องไห้ผิดปกติต้องร้องไห้สิต้องชวนกันร้องไห้ต้องแรงแต่จริงบางคนถ้ามันจะร้องออกมาเองก็ปล่อยมันร้องแต่ถ้ามันไม่ร้องก็ไม่ต้องไปไปพยายามไป หาดูนะดั่นดูนี่จะได้ร้องจะไดไม่ผิดปกติอะไรนะจริงแนละ้วบางคนพอถูกคนบ่าที่ทำไมไม่ร้องไห้ก็ว่าตัวเองผิดปกติต้องไป <c oughs> ไปบิ ว, วอารมณ์ตัเองให้มันร้องไห้ให้มันเศร้าก็ไม่ใช่นะแต่บางครั้งมันเป็นของมันเองก็ปล่อยนะอมันอืช่วงใหม่ๆมันก็เป็นบ้างอะไรนะแต่พอเราตีสติมากขึ้น ก, ก, ก็กลับมาแต่คราวนี้พอกลับมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลับไปอีก <c oughs> กลับไปอีกแล้วนะ เราก็ต้องมีชีวิตของเราต่อในวันนี้นะอ่าเราก็ทำหน้าที่หองเราให้มันดีต่อไปนะสำคัญกว่าบางทีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนาะพระพุทธเจ้าปริมิพานหรือครูบาอาจารย์ แต่หลายคนเนาะเวลาท่านมรณภาพ <c oughs> หรือว่าคนที่ที่เรารักเราเครพมากเสียชีวิตอะ่ะมันก็อมันก็เป็นการเตือนเรานะว่าบางทีเราไปผูกพันกับอะไรมากๆาสิ่ง น, นั้นมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดนะอืมไม่ว่าใครก็ต้องมีมิตรคนล่านั้นนะแล้วนะก็เตือนตัวเองเลยวันหนึ่งเราก็ต้องไป ใช่ไหม mm hmm. วันหนึ่เราก็ต้องไปเราจะทําอะไรลนะ่ะ mm hmm. ในวันที่เหลือแบบนีน้ให้มากที่สุด mm hmm. ก็เอาบทนะียมาตือนตัวเองวนะ่ทาท่านก็ไปแล้วแวต่ทุกวันเราก็ไปใช่ไหม mm hmm. เราจะทําอะไรต่อไปเนะสําคัญกว่าในการที่ไปจมกับอารมณ์ตรงนั้นการเงินจะตุมมตื hmm. ่ <c oughs> Thank you.